พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13กันยายน2556ณวัดป่าชัยชุมพลมีชื่อเรื่องว่าถ้าไม่รู้จริงก็ไม่ควรพูด วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นวันทำรรบุญเจริญอายุวัฒนะมงคล61ปีพระครูวัชระธรรมอาจารย์หลวงพ่อจิรวัตรอัตต ร, รักโขณ ว, วัดป่าชัยชุมพลตำบลจะดะพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ พวกเราท่านทั้งหลายคณะสัตย า, าญาติโยมทั้งหลายได้มารวมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะเคารพในหลวงพ่อจิรวัตรของพวกเราเพราะท่านมีบุญคุณกับพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะยังยิ่งหลวงพ่อเป็นต้นนะท่านก็ไปมาหาสู่รักเหมือนกับพี่พีน้องน้อง ไปมาหาสู่ถึงหลวงพ่อจะอยู่ไกลอายุมากแล้วปีที่แล้วหลวงพ่อก็พูดครั้งหนึ่งกับคณะสัตธา ญ, ญาติโยมว่าเออปีต่อไปผมอาจจะไม่ได้มาเนอคณะสัตธาญาติโยมหลวงพ่อเนอเพราะว่าสุขภาพหลวงพ่ออินเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้อายุ ป, ป่าเข้าไปจะเข้า70แล้วนะคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานเดือนเมษาเนก็เจเต็มเดี๋ยวนี้หก ามากแล้วอายุของหลวงพอ่พอเพราะนั้นจะไปที่ไหนก็ต้องได้คิดได้ดูสุขภาพของตนเองซะก่อนถ้าหากว่าไปแล้วอย่างมางานวันนี้แหละอพอมาถึงแล้วก่อนเป็นลมขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาเป็นไข้ขึ้นม า, น า, นมาพวกลูกหลานก็คงจะตำหนิได้ว่าโอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ยทำไมไม่รู้จักสุขภาพตัเองขนาดนี้ยังมาอยู่เนาะอันนี้กลูกหลานทั้งหลายก็คงจะตำหนิได้ <P an ian> เพราอนั้นหลวงพ่อเองก็ยังคิดเหมือนกันต่อไปภายภาคหน้าปีหน้าก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันจะได้มาร่วมลูกหลานอีกหรือเปล่าเพราะนั้นปีนี้หลวงพ่อมาแล้วก็อยากจะพูดแนวความคิดให้กับลูกคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายพระสงฆ์ให้ได้ยินทั่วถึงกันเพราะว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือทำคําสอนของพระพุทธศาสนา มีมากหลากหลายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าหลักธรรมคำสอนเราจะไปปลามาดดูถูกเกียดหิยาครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งมันไม่ถูกหลวงพ่อว่านะเพราะว่าหลักธรรมคำสอนนี่มีมากมายและก็นานาจิตตังนานาทัศนะขนาดเป็นพระอรหรันต์เออพระอรหันต์แท้แท้ความคิดยังไม่ลงกันยังไม่เป็นเอกัน หลวงพ่อจะยกให้ฟังสมัยที่พระพุทธเจ้าพระนิพพานที่เมืองกุสินาราพระมหากัส ป, ปะเถระเห็นลูกศิษย์ของท่านสุภัททะภิกษุที่บวชภายแก่พูดจั่วจาบขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วกว็ดีแล้วเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะร้องโ h o ร้องไห้ทำไมในเมื่อพระพุทธเจ้าตายไปแล้วกว็ดีแล้ว ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ห้ามอย่างนั้นบัญญัติวินัยอย่างนี้ เ, เป็นที่ลาคาญพวกเรายิ่งกว่าอะไรแต่บัดนี้พวกเราจะทําอะไรทําได้ตามสบายเยพราะพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพวกเราทําตามสบายพระมหากระตปะได้ยินคํากล่าวเพียงคํานี้เท่านั้นเองสะดุดใจโอ้ถ้าว่ามีพระพูดอย่างนี้มากๆ ห, หลายองค์พระพุทธศาสนาจะอยู่ถึงห้าพันปีได้อย่างไร ล้วนแล้วจะเป็นผูท้ทําร้ายทาลายพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพ ว, พวกเราควรจะจัดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดโมู่อันนี้ก็คื อ, อจากนั้นพระมหาการตะปักก็ถามพวกกลุ่มที่อยู่ใกล้พวกท่านเห็นด้วยไหมที่จะจัดมีการประชุมหารือกันแล้วก็จัดทําวินัยให้เป็นหมวดหมทำคือทำวินยัยคือวินยัย ศีลและวินัยให้เป็นหมวดหมู่พวกท่านเห็นด้วยไหมถ้าพระไม่อยู่ในหลักธรรมวินัยแล้วศาสนาพุทธศ า, าสนาจะอยู่ดได้นานได้อย่างไรอย่างพระสุภัททะเนี่ยบวชภายแก่เนี่ยก็พระเจ้ายังไม่เท่าไหร่จ่วงจ่าบขึ้นมาแล้วถ้าว่ามีคนพูดอย่างนี้พูดต่อๆกันไปหลักพระธรรมวินัยจะหมดไม่ถึงไหนแล้วเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นด้วยจากนั้นก็ นัดไปชุมกันเลือกเลือกสรรล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์เป็นภูมิญานธรรมชาติเป็นพระอรหันต์ที่ว่าเตวิช โ, โชชลพิญโยปฏิสัมพิทัปปตโตแตกฉานในอัด ใ, ในธรรมทั้งนั้นทั้งหมดมีอยู่499องค์ยังเหลือพระอานนท์องค์เดียวที่ยังเป็นพระโสดาบันยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่นี้การมองดูพระอานนท์ ขาดพระอานุ์ไม่ได้เพราะพระอานุ์เป็นพระหูสูตรที่เป็นคลังพระไตรปิฎกและเป็นคลังที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปณสถานที่ใดท่านอานุนติดตามเหมือนกับเงาตามองค์พระพุทธองค์ตรัสอะไรพระอนุนจาได้หมดเป็นคลังของพระธรรมถ้าปราจจากหรือว่าไม่ไม่มีพระอานุ์เข้าร่วมประชุมด้วยพระธรรมวินัยคงจะไม่สมบูรณ์แต่อันนี้พระอานนุ์ ยังเป็นปุตชนอยู่แล้วเราจะทํำยังไงแต่ว่าได้รับพระพุทธพระอ น, นุ์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าตอนทอี่พระพุทธองค์อาการหนักในคืนวันเดือนหเพนนนั้นพระอา น, นุ์ออกไปร้องไห้อยู่ที่ทางขึ้นบันไดเพระพุทธองค์ได้เรียกให้พระสงฆ์ไปบอกพระอานนุ์เข้ามาได้ถามว่าอานนุน์เธอเธอทําอะไร พระอานุ์บอกโอ้ข้าพระองค์เสียใจมากที่พุทองค์จะปรินิพานข้าพระองค์ยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้เพีนแต่เพียงพระโสดาบันเท่านั้นข่าพระองค์ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระหัน์ถ้าหากว่าเป็นเด็กก็เหมือนกับพอเดินได้ท่านเองแล้วใครจะเป็นคนสอนข่าพระองค์ต่อไปจะให้สําเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละคือพระอานุ์อายุเท่ากันกับพระพุทธเจ้าอายุแปดสปีเท่ากันเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้า ดูซิคนแก่ขนาดนั้นเสียใจร้องไห้พวกเราคิดดูซิว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานแต่พระพุทธองค์บอกว่าอานน์เธอปฏิบัติเราตถาคตไม่มีที่ตําหนิเลยเพราะพร ะ, พระพุทธเจ้าองค์ก่อนเขาท่านก็ปฏิบัติอย่างอาโนนนี่แหละอานนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเอาเธอจากนี้ไปสามเดือนอานน์จะได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต อันนี้พระอนุพอได้ยินคํานี้เท่านั้นพระพุทธองค์ทํานายพยากรณ์ไว้แล้ว พ, นนพระอนุบอกพระพุทธองค์ทํานายเรื่องอะไรหนึ่งไม่มีสองพระอนุนก็เชิญใจขึ้นมาเออถึงยังไงก็จะต้องได้สําเร็จจากนี้ไปสามเดือนอันนี้ก็คือคำนี้แหละได้ยินไปทั่วในกลุ่มพระสงฆ์ทั้งหลายพระมหากรสปะก็บอกอมึงถ้าหาว่าขาดพระอนุนไม่ได้ถ้าหาว่า พาาระอนุนไม่ได้เข้าร่วมประชุมทําวินัยคงจะขาดตกบกพ้องเพราะฉะนั้นสมควรยิ่งจะต้องให้อานนท์เข้าร่วมประชุมสังขารยนาในครั้งนี้จากนั้นพระมหากรัตปะก็บอกว่าจากนี้ไปสามเดือนให้ไปจัดสถานที่กรุงราชคฤห์ให้ไปพูดขอกับพระเจ้าอาตาสศัตรูให้จัดถ้ำสัตบัญญัตคูหาเป็นสถานที่ประชุมสังขารยนาในกรุงราชคฤห์นี จากนั้นขอพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็เดินทางไปกรุงราชคือพระเจ้าอศาตศาสัตรูเป็นลูกพระเจ้าพิมพิสารก็พออกพอใจท่านจะได้ล้างบาปของท่านอีกเหมือนกันจากนั้นพระ อ, อนุนก็เด้ น, นำบริขารอาบริขารของพระพุทธเจ้าเดินไปเดินมุ่งมั่นมุ่งทางไปสู่กรุงสา ว, วัตถีวัดป่าเชตะวันมหาวิหารพอเดินผ่านที่ไหน พี่น้องประชาชนเห็นอัฐบริขารเห็นบาทและจีวรของพระพุทธเจ้าต่างคนก็ต่างร้องไห้และงมไปทุกหัวละแห่งเพราะไหวตากอนเห็นพระเห็นพระอา น, นุ์ก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระอา น, นุ์แต่บัดนี้เห็นแต่อา น, นุนถืออัฐบริขารที่จะเดินไปปฏิสถานเอาไปไว้ที่กรุงสาวัตถีเพราะว่าพระพุทธเจ้าจําพรรษาอยู่ที่กรุงสาวัตถียาวนานที่สุด จากนั้นพระอ น, นุลก็เดินทางไปจากนั้นพอถึงกำหนดสามเดือนพระอ น, นุลก็วกคล้องเขาไปกรุงราชจะคือพอไปท่านก็ได้ไปภาวนาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ตรงนี้หลวงพ่อจะไม่อธิบายมีจุดมุ่งหมายคือว่าพระอระหันต์แนวความคิดไม่เป็นเอกฉันพูดง่ายๆไม่เป็นเอกฉัน เพราะว่านานาจิตต่างนานาทัศนะแต่ทำความรู้ของท่านนั้นเอกชนที่ท่านได้บรรลุธรรมขัจุดนั้นเอกชนหนึ่งไม่มีสองแต่แนวความคิดออกไปข้างนอกนั้นไม่เอกชนวันนั้นพระอ น, นุ์ก็ได้เข้าร่วมประชุมวันอพอครบสามเดือนพระอ น, นุนได้สำเร็จเป็นพระหารแล้วพระสงฆ์ทั้งหมด500รูปเข้าพร้อมกัน ในเมื่อประชุมพร้อมกันแล้วพระมหากระสปะก็ถามว่าท่านอาโนนพระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งเสียอะไรไว้บ้างที่ท่านสั่งไว้ให้ปฏิบัติอย่างไรต่อไปภายภาคหน้าท่านอาโนนก็บอกว่าพระพุทธองค์ได้สั่งว่าให้ลงผมมทันกับฉันนะเพราะฉันนะเป็นพระที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังใคร ให้พระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้ลงพมมาทันกับฉันนะนี่ขนาดพระพุทธเจ้ายังทรงพัชนอยู่ยังปราบคนหัวเรือไม่ลงนะเอ้ยัยงปอบทั้งที่พระองค์ผ่านไปเสียก่อนยังให้คณะสงฆ์ปราบขนาดนัน้นผู้เรือไม่ใช่ธรรมดาคือนายฉันนะเนี่เมื่อพระพุทธเจ้าออกบวชเฉล็จออกบวนชนายฉันนะเป็นผู้ติดตามขี่ม้าขันตกะ์สามชีวิต นั่งมาไปในชั้นะนนี่นั่งท้ายนั่งหลังสอนพระพุทธองค์สอนศีรถนะพอไปบวชเสร็จแล้วพุทธายาได้ตัดสุโรเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นได้ประกาศธรรมสอนภิกษุเ อ, อแล้วก็ตั้งอัครสาวกโมกพระสารีบุตรโมก ค, คลาอ อ, อานนกัสสะล้วนแล้วจะเป็นอัครสาวกแต่ละองค์แต่ชนะนพอบวชเข้ามาแล้วกันเนี่ยเอ้ยเออ พ อ, พอพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าวพวกท่านทั้งหลายก็พลอยได้ดิบได้ดีไปด้วยแล้วใครเป็นคนนาพาไปบวชผมเนี่ยพาพระพุทธเจ้าไปบวชทิฏฐาไปบวชจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเ่พอบวชเข้ามาแล้วพวกท่านใดอันนั้นใดตําแหน่งนี้ใดตําแห น, น่งนั้น อ, อพระพุทธองค์เรียกจันนะเข้ามาจันนะเธอจะไปพูดอย่างนั้นอันนี้คือพี่ชายของพวกเธอนะ ท่านได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแล้วนะเธออย่าไปพูดอย่างนั้นก็เงียบก็ไม่ว่าอะไรแต่พอหยุดพวกพระองค์ออกหลังรับรับหลังท่านนั่นโคตรเอญเก่าพระองค์พระพุทธองค์ ก, งก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับชนะันน่ะเห็นไหมคนดื้อจากนั้นก็พระอนุนก็บอกว่าให้ลงพมมัทธรรกับชนะันน่ะลงพมมนะัทธรรมทำยังไงพระเจ้าข่านพระอนุนถามในเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้เรียกประชุมชง พอประชุมสงฆ์เสจแล้ให้เรียกันะเข้ามาพระชนนะเข้าม า, นน า, มาบอกว่าฉันนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านชอบใจจะด่าองค์ไหนจะปริพาทองค์ไหนจะดุด่าว่าก่าองค์ไหนให้ท่านพูดได้ตามสบายใจแต่พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงอย่านับเนื่องว่าฉั น, นะเป็นหมู่ของเราอย่าอยู่อย่านอนอย่านับเนื่องอย่าหลงอุโบสถสังฆกรรมด้วยอย่าคุยด้วยกับช น, นะ เ, เท่านั้นแหละพระชันนะได้ยินสงลงพรมทันงายหลังผึ่งเลยนี่แหละอันนี้ก็คือทีอ่พระชันะนี่ที่พร ะ, นะะพุทธองค์ให้ลงพรมัทันจากนั้นท่านก็กลับใจทันชนะก็กลับใจผมจะไม่พูดไม่ทําอีกอย่างนั้นจากนั้นท่านก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะขขนาดนั้นที่ท่านมรรคผลนิพพานนิสัยมรรคผลนิพพานอุปนิสัยมรรคผลนิพพานมีอยู่แต่กิเลส ตัวแป้ ง, ปงตัวไม่อิจฉาพยาบาทตัวรลบโกดหลงน่มาเบียดบงังทำให้ท่านเสียศูนย์ไปเหมือนกัน น, ะนี่แหละกิเลสมันไม่ใช่ธรรมดาแต่ท่านชาระกิเลสแต่ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่พระชนะนี่แหละจากนั้นก็มีการประชุมอย่างอื่นมีอีกไหมพระมหากัตปะที่เป็นประธานสงถามมีครับ พระองค์พระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราสถาคตผ่านไปแล้วศิกขาบทวินัยที่เป็นของเล็กๆน้อยๆที่หยุมหยิมพวกท่านทั้งหลายจะประชุมให้ถอนก็ถอนได้นะจะถอนก็ถอนได้ศิกขาบทเล็กน้อยที่เราบัญญัติไว้ที่มากมายคือศินสองรี่สิบคือศินพระปฏิโมกข์สินมาในพระปฏิโมกศ์สินอภิสมาจาร์นั่นแหะที่มาก สินอะไรก็ตามถ้าพวกท่านเห็นสมควรจะถอนชิค้าหมดไหนก็ถอนได้นะถ้ามหากรัปะก็ถามว่าท่านอาโนนท่านได้ถามพระพุทธเจ้าไหมได้ทูลถามพระพุทธเจ้าไหมว่าอาบัติเล็กน้อยนั้นน่ะที่จะให้ถอนที่ว่ายุมหยิมนั้นคือชิค้าหมดกลุ่มไหนฟินนตรในกลุ่มไหนไม่ได้ถามกระผมเพราะว่ากระผมรู้สึกว่าสลดหดหูจิตใจ ล้ำลึกถึงคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างมากจยคิดอะไรไม่ออกในช่วงนั้นเพราะความรักเคารพในพระพุทธองค์พระมหากัส ป, ปาวโออาโนนท่านบกพร่องแล้จุดนี้พระอานน์ก็ยอมรับว่าข้ากับข้าพระองค์กับผมบกพร่องจริงๆครับยอมรับเอาเอถอะทีนี้เอาประกาศในท่ามกลางสง์ที่ว่าพวกเราว่าจะไงที่พระพุทธองค์บอกว่าให้ถอนซิกข้าบทเล็กน้อยนั้น เราควรจะถอนกลุ่มไหนพระสงฆ์ก็ออกมาเป็นกลุ่ม เ, ลเกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าน่าจะถอน อ, อภิสมาจาร์ทั้งหมดพวกกลุ่มกดน่าจะถอนสิกขบทเสกียวัตน์อาบัตทุกกฎน่าจะออกทั้งหมดสรุปแล้วก็คือพระทั้ง500องค์จะเป็นพระอราหันต์คือท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์อย่างเดียวพระอราหันต์ทั้งหมด เป็นชาวไร่ชาวนาก็มีท ร, รมาค้าขายก็มีเป็นคนมีมากหลากหลายอาชีพเพราะนั้นคนที่มากหลากหลายอาชีพเนี่ยนะแสดงความคิดเห็นมันก็ต้องแตกต่างกันคนหนึ่งก็ให้สาคัญคนอันหนึ่งอันหนึ่งตรงหนึ่งก็ให้สาคัญอันหนึ่งต่างคนก็ต่างให้สำคัญสำคัญต่างที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมพที่สุดไม่หลงลอยกันนี่นี่แหละพระหันนะ ผู้แตกฉานในอัดในธรรมนะทั้งที่จะเป็นพูดคำเดียวกันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นทีนี้ผลลัพธ์สุดก็พระมาหากรัตนปะที่ท่านเป็นประธานสงฆ์ท่านก็บอกว่าในเมื่อลักษณะเป็นอย่างนี้ผมว่าควรจะเอาไว้ทั้งหมดไม่ควรจะถอนดีไหมพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นด้วยใช่ถ้าไม่เอกทำทเป็นลักษณะนี้ ควรจะเอาไว้ทั้งหมดนะไม่ไม่ถอนไม่ถอดไม่ถอนเพราะถอนจะล่มล่มดอนดอนจ ะ, จะไม่ถูกต้องเพราะนั้นท่านจึงเอาไว้ทั้งหมดในหลักธรรมคาสอนในหลักพระวินัยนี่แหละสรุปแล้วก็คือพระอรหันต์ยังมีความคิดเห็นแตกแต่ตางกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าว่าครูบาจารย์มีความคิดเห็นแปลกแตกต่างกันแต่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ท่านไม่ได้ทำผิดหลักพระธรรมวินยัยถ้าผิดทำวินยัยเออไม่ว่ากันจัดการเลยพวกเราไม่จัดการใครจะเป็นคนจัดการพุทธบริษัทสี่ถ้าเห็นองค์ไหน เ, เป็นอาบัติหนักสังฆาปาละชิกทาไม่ถูกต้องพวกเราก็ต้องช่วยกันกระจัดออกจากวงการอันนั้นคือความถูกต้อง แต่ว่านานาจิตตังแนวความคิดเห็นน่แนวความคิดเห็นไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างคนหนึ่งเห็นอย่างหนึง่งคนหนึ่งเห็นอย่างหนึง่งอันนี้เราต้องฟังต้องยอมรับฟังไว้ก่อนว่าความเห็นจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ถึงยังไงพวกท่านทั้งหลายจะค่อยเข้าหากันแล้วก็ปรึกษาปรารบกันเดี๋ยวก็ลงกันได้เพราะต่างคนต่างมุ่งมุ่งท แต่ถ้าหาว่าไม่มุ่งทำรร ม, มีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตต่อกันแล้วก็อย่างว่าก็มีความแตกแยกส้ำะคีกันอันนั้นมันก็สุดพิสัยอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่อง ท, ทำคําสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นคณะสัตยาญาติโยมพุทธบริษัทสีเนี่ยถ้าดังไม่รู้หลักพระธรรมวินัยเราจะไปพูดก้าวกายดูถูกเกลียดหยามครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งหลวงพ่อว่า ต้องคิดดูให้ดีนะข้าวขายอนันตริยกรรมหมาตุคาตฆ่าบิดามาตุคาตฆ่ามารดาปิดตุคาตฆ่าบิด า, า, ด า, ดาอรหันตะคาตฆ่าพระรหัน์โลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตแห้งห้อสังฆเพทยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายถ้ายุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายนั่นแหละคืออนันตริยกรรม5บาปหนักที่สุดถ้าเป็นฆราวาสก่็อยู่ใน ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในปาราชิกของผู้นับถือพระพุทธศาสนาอันนี้พวกเราให้ศึกษาเอาไว้ม่ใช่ว่าล้วมปากเราจะพูดไปได้ง่ายๆเป็นผิดพระธรรมวินัยไหมถ้าผิดพระธรรมวินัยไม่ว่ากันจัดการเลยแต่แต่ถ้าหากว่าเราคิดสนุกขึ้นมาแล้วจะพูดออกไปอจะด่าใครจะด่าองค์ไหนลงเฟซบุ๊กด่าไปเลย โดยไม่รับผิดชอบในคำพูดในคำด่าของตัวเองระวังระวังปากอย่าเป็นมะเร็งปากเป็นบาปเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัายาติยมลูกหลานอันนี้หลวงพ่อเตือนเตือนให้ฟังอย่างอย่างชัดเจนเพราะหลวงพ่อเนี่ยพูดตามความเป็นจริงถ้าเราจะเปรียบเทียบกับนิทานและชาดกขึ้นมาก็ได้เอสมัยหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพระองค์หนึ่ง เดินไปที่ไหนผู้หญิงเดินตามเอ่พระองค์นั้นน่ะผู้หญิงเดินตามทีนี้คนทั้งหลายเห็นก็พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นเอ่เอ้เอาทําไมผู้หญิงเดินตามคนคนนี้พระองค์นี้ไปบินทาบายก็เดินตามขึ้นอยู่กุฏิตามมาผางก็เดินก็อยู่ในกุฏิของตัวเองพระสงฆ์ก็ไปฟ้องอนาถาบิติกเศรษฐีท่านอนาถาท่านควรจะไล่พระองค์นี้ออกจากวัดท่านนะ ไปที่ไหนผู้หญิงสาวเดินตามตลอดนะทำไมเป็นอย่างนี้วะอนณาถาไม่ดีกะถามว่าพระพุทธเจ้ายัางประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีอยู่ใช่ไหมเออใช่เอออยู่ที่วัดป่าเชตตะวันอยู่ใช่ไหมใช่โอยเป็นหน้าที่ของพระพุทธองค์พระพองค์รู้หมดไม่ใช่หน้าที่ของโยมฮะเห็นไหมท่านผู้ฉลาดท่านเป็นพระโสดาบันนั่นเอง ไปบอกนางวิสาขานางวิสาขาเป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์บรกพระสงค์พระพทองค์ประทับอยู่ที่วัดป่าเชตะวันใช่ไหมใช่เออเป็นหน้าที่ของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ต้องรู้อะไรเป็นอะไรไม่ใช่หน้าที่ของชั้นนี่ขอมอบให้พวกท่านทั้งหลายกราบทูลพระพุทธเจ้าก็แล้วกันแต่ไม้ไปกราบไปบอกพระเจ้าประเสริฐเลยมหาบพิษมีพระองค์หนึ่งอยู่แน่ๆจะทําให้ศาสนาเสียเนีเสื่อมเนี่ยพระพุทธองค์ประกาศพระศาสนา เกิดประโยชน์ต่อต่ อ, ตอพุทธศาสนาต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากแต่มีพระองค์หนึงนะ่ยมีผู้หญิงเดินตามหลังหญิงสาวอีกนะเดินตามหลังมันน่าเกลียดนะทําไมอยู่ในกุฏิก็อยู่ด้วยการอีกต่างหาทําไมพญาปเสนได้ยินเท่านั้นละ่ะพญาปเสนเนี่ยเป็นยังเป็นปุ้ตุชนเต็มร้อยเนี่ยพราะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตท่านก็อยู่ที่ไหนองค์ไหนอยู่กุฏิหลังนั้นละ่ะ ท่านก็เตรียมทหารไปเลยถึงทหารตำรวจจตุรีบาลพร้อมเลยถึงพอไปก็สังเกตอยู่ห่างๆก็เห็นผู้หญิงอยู่ในกุฏิหลังนั้นพร้อมกับพระแต่ได้ก็ไปล้อมเลยถึงพอล้อมเสร็จแล้วขึ้นไปค้นกุฏิไปค้นบดไม่เห็นพอไม่เห็นกลับมาออกมาอยู่ข้างนอกอีกเออดูอีกสังเกตอีกให้ทหารมากเกาเก่าอีกขึ้นไปอีกครั้งที่สองอีกไม่เห็นอีก พอขึ้นอีกครั้งที่3ามทีนึงก็สังเกตดูอีกเอาทังนั้นอ่ะพอขึ้นไปครั้งที่3มพระองค์นั้นก็บอกว่าอาตมามีคนเห็นผู้หญิงเดินตามหลังตลอดอาตมาเองไม่เห็นนะโยมมหาบุพิษเห็นแต่เขาว่าผู้หญิงเดินตามหลังแต่อาตมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่อาตมาไม่เห็นอย่างที่มหาบพิษค้นในกุฏิของอาตมาเนี่ยทั้งไต่ตรงใต้เตียงห่องน่องห้องน้าอะไรค้นหมด เ, ออเพงดงเพงดานไม่เห็นอาตมาก็ไม่เห็นแต่คนทั้งหลายเห็นพ ร, พระเจ้าแผ่นดินเออเอาท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับท่านไปบินระบาดต่อไปญาติโยมคงจะไม่ใส่บาตรให้ท่านเพราะท่านมีผู้หญิงเดินตามหลังผมค้นดูแล้วไม่มีเอาเถอะตอนนี้ไปให้ท่านไปรับอาหารในเวียงในวังผมก็แล้วกันนะผมจะถวายอ า, อาหารท่านาใส่บาตรหรือว่าถวายปัจจัยสี่ท่าน ต่อไปนี้เท่านั้นแหละพระสงฆ์ทั้งหลายก็โอ้โหพระเจ้าแผ่นดิ น, นโ ง, ง่จริงๆให้มาจับผิดพระทำชั่วตัวเองยังมาประวรณาอีกต่างหากเอีแต่นี้ก็บพระองค์ที่ผู้หญิงเดินตามหลังนี่ก่อนเหมือนกันติดปีกลเลยทีนีเ้เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินให้ท้ายตัวเองบอกว่า เ, เป็นหน้าที่ของอพระเจ้าแผ่นดิน ว่าแต่พวกว่าแต่ผู้หญิงเดินตามหลังผมพวกท่านก็เดินเมือกันนั่นแหละให้ค่ายพูดทรงเดชนะสูตรทรงเดชแต่นี้ก็พระสงฆ์ทลายเอา้าตื่นขึ้นมาเลยสินเอา้าพระองค์นี้จุกโจดเราได้ยังไงเพราะอาบัติเป็นอาบัติผู้หญิงเดินตามหลังเนี่ยมันไม่ใช่โทษเบานะโทษขาดจากการเป็นพระ น, ะนั่นนี่จากนั้นพระสงฆ์ก็เลยไปกราบพูลพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วสิบอกว่านี่พระองค์เนี่ยอ ผู้หญิงเดินตามหลังจากนั้นพวกข้าพระองค์ไปบอกบอกว่าผู้หญิงเดินตามหลังท่านก็บอกว่าพวกท่านก็ผู้หญิงเดินตามหลังเหมือนกันพวกพระองค์นี้จะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าค่ะทําไมท่านพูดอย่างนี้จ่วงจาาอย่างนี้เรื่องมันจะไม่สงบนะพระองค์ก็เรียกมาประชุมเรียกพระองค์นั้นมาประชุมพร้อมๆกับพระสงฆ์กลุ่มใหญ่เลยพระองค์ก็เป็นประธานบอกว่าพวกเธอทั้งหลายเห็นไหม ผู้หญิงเดินตามหลังพระองค์นี้เห็นพระเจ้าข่าเห็นกับตาเลยเหละแต่เี่ก็ถามพระองค์นั้นนี่พระที่ผู้หญิงเดินตามหลังท่านท่านเห็นไหมที่ผู้หญิงเดินตามหลังพระที่ท่านบอกพวกท่านหลายก็เห็นผู้หญิงเดินเดินตามหลังเหมือนกันนั่นแหละ alphabet. ท่านเห็นไหมไม่เห็นพระเจ้าขา่าแต่พระเหล่านั้นหาเรื่องใส่กระผมกระผมก็ลาคาญก็เลยพูดไปอย่างนั้นพระองค์บอกว่า เธอไม่เห็นเธออย่าพูดพวกเขาเห็นเขาพูดแต่เธอไม่เห็นเธออย่าพูดเธอเป็นบาปกรรมมาแล้วยังไม่เข็ดอยู่เหรออันนี้คือบาปกรรมในนะอนาอดีตที่ผ่านมาของเธอนะเธอจาได้ไหมเออเธอยังจะทำสร้างบาปกรรมต่อไปอีกใช่ไหมพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้ยินอย่างนั้นก็สมัยไหนพระพุทธเจ้าค่ะที่พระองค์นี้ทํากรรมชั่วจึงมีบาปกรรมอย่างนี้ติดติดมา พระอถรวงบอกว่าสมัยก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้ากัจจปะกัจจปอศิลิสัมปันโนอุบัติขึ้นในโลกจากนั้นอายุของท่านพระพุทธเจ้ากัจจปะอายุยืนสองหมืปีแล้วก็มีพระสององค์ที่เป็นเพื่อนกันไปที่ไหนเห็นองค์หนึ่งก็เห็นองค์หนึ่งรักเหมือนกับพี่น้องๆยิ่งกว่าพี่น้องเสอีก ไปที่ไหนรักเคารพกันถืออาวุโสพันเต อ, องค์หนึ่งไปเห็นกับองค์หนึ่งกับบนิบัติองค์ที่มีอายุพรรษามากกว่าแต่วันหนึ่งพระสององค์เนี่ยไปลงอุโบสถวัดอื่นใกล้ๆว่าไปลงอุโบสถกลุ่มใหญ่พอเดินไปด้วยกันสององค์พอไปแล้วไปไปอยู่ไปถึงไปถึงครึ่งทางไปถึงครึ่งทางองค์หนึ่งก็บอกโอ้ผมขอเข้าป่าซะก่อนนะก็คงจะไปปล่อยทุกข์นะ อคงจะไปปล่อยทุกข์ในป่าให้องค์นี้ก็ยืนคอยน อ, องค์นี้ก็ยืนคอยพอยืนคอยเสร็จแล้วเทวดาอยู่บนสวรรค์เอ๊ะทำไมพระองค์นี้มันสององค์ทำไมมันเอเป็นสนิทกันเหลือเกินไปที่ไหนเห็นองค์หนก็เห็นองค์หนึ่งเห็นองค์หนึ่งเราจะแจกให้พระทรงองค์ทะเลาะกันดูบ้างนะเะทวดาคิดสนุกขึ้นมานอไม่คิดว่ามันจะบาปนะอะจากนั้นเทวดาก็ลงมาจากสวรรค์ ลงมาก็เห็นพระองค์นั้นองค์นั้นก็ไปถ่ายทุกออกมาพอเดินออกมาแล้วก็เทวดานี่กินิรมิตตัวเองเป็นผู้หญิงเห็นเดินตามหลังพระองค์นั้นออกมาพอเดินตามหลังเเผวนะก็เเผาผมอะไรกระจุยกระจายทำท่าทั้งนุ่งหมทั้งจะนุ่งผ้าสิ่นของตัวเองบ้างทำเหมือนกับมีอะไรผ่านมาแล้วนะ่พระองค์นั้นก็ยืนดูยืนเห็น พอเดินออกมาองคเล็กโอ้ท่านทําไมท่านทําอย่างนี้ะท่านเป็นปาราชิกแล้วนี่ทําโทษอย่างหนักแล้วนี่องเล็กวัดไม่ใช่ผมไม่มีอะไรนะไม่มียังไงผู้หญิงเดินตามหลังท่านออกมาเนี่ยเออเทนีก็พระนะไม่ใช่ไม่ไม่มีผมไม่มีอะไรมีพอได้ส่งกับพระสององค์แล้วก็เดินทะเลาะกันจนมาลงอุโบสถพอมาลงอุโบสถเนี่ย องค์ที่นั้นก็โจดขึ้นกลางกลางคณะสงฆ์เลยนี่พระองค์เนี้ยเ อ, อที่มาด้วยกันทำไม่ดีไม่ร้ายผมเห็นกับตาเลยเป็นปาลาชิกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น อ, อ, องค์ที่องคนั้นก็บอกผมไม่ได้เป็นไม่มีผลในสุดเท ว, วดาร้อนอกร้อนใจโอ้โหมันจะแตกกลางวงเต็มเพราะว่าพระสงฆ์จะแยกแตกสมมาคียรตในวันอุโบสถเทวดากับน <c oughs> ิมิตออกมาพระคุณท่าน ไม่ใช่องนั้นทำผิดฉันคิดสนุกเองเราผมคิดสนุกเองแล้วก็นิรมิตมาเป็นผู้หญิงตามหลังท่าน อ, อ, องนี้ไม่ใช่ท่านไม่ได้ทำอะไรเ ป, เป็นผมเองผมนิรมิตเองถึงเทวดาจะจะมาแสดงถึงขนาดนั้นก็เถอะพระองค์นี้นก็ไม่สนิทใหญ่องทีเ่เห็นเห็นเหตุการณ์ไม่ร่วมมุโ ว, โวโสถสังฆกรรมกับพระองค์นั้นตลอดไปไม่เชื่อก็ทั้ง เ, เทวดาอีกต่างหา พลในสุดนั่นน่ะเทวดาหลงคนนั้นก็ออกจากสวรรค์แล้วก็ลงอเวจีมหานรกเอเหมือนกับเศรษฐีตกทุกข์อย่างนั้นน่ะเศรษฐีจะเข้าคุกอย่างนั้นล่ะอ ย, อย่างพวกเราท่านทลายได้ยินน่ยมันทุกข์ขนาดไหนเนีะนี่จากนั้นก็ไปตกนรกพอ ต, ก, ตกนรกนานพอสมควรจากนั้นก็พ้นจากนรกขึ้นมามาเกิดในศาสนาของพระพุธเทธเจ้าของเราพระโคตมะของเรา จากนั้นก็ได้บวชในพุทธศาสนาบาปกรรมตัวนั้นแหละยังติดตามาวิญญาณของท่านองค์นี้อยู่บาปาาบาปที่ท่านได้นิรมิต เ, เป็นผู้หญิงตามพระองค์นั้นผลี่สุดเนี่ยพระองค์นี้ก็เลยมีผู้หญิงตามติดตามอยู่ตลอดพระองค์บอกว่าต่อ น, นี้ไปนะเธออย่าพูดเธอเป็นผู้นิ่งที่ดีกว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นพระองค์นั้นท่านก็เลยสงบ ปากสงบคําแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์นะในตำราในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้นี่แหละคณะเทวดาไปกันแกล้งทำให้สงแตกแยกกันเพียงสององค์เท่านั้นไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะสององคออ์ไม่เข้าใจกันตัวเองก็ต้องตกนรกบาปกรรมเพราะนั้นขอบอกกล่าวกับคณะสัายาญาติโยมทุกหมู่เหล่าการที่จะพูดอะไรทุกวันนี้มัน ปล่อยอิสระในการแสดงความคิดเห็นกระทำให้แสดงความคิดเห็นเกินขอบเขตทำให้พวกเราจะตกนรกบาปกรรมได้ง่ายๆอันนี้ก็ฟังไว้นะฟังไว้แต่อย่าเพิ่งเชื่อหลวงพ่ออินใ ห, ให้ฟังเอาไว้ถ้าหลวงพ่ออินไม่บอกไม่กล่าวพวกเราอาจจะถลำมทำกรรมชั่วไปเรื่อยแต่ถ้าพวกเราฟังแล้วด้วยเหตุด้วยผลแล้วให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติ อย่าพูดในสิ่งที่มันจะล่อแหลมตบตอบาปกรรมแต่ถ้าหากว่าองค์ไหนทําผิดจริงพวกเราก็จัดการตามหลักพระธรรมวินัยเอออันนั้นเป็นบุญกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอีกต่างหาเพราะก็จัดพระชั่วออกจากองค์การพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าแนวความคิดเห็นแปลกธรรมดานานาจิตต่างนานาทัศนะนั้นพวกเราต้องฟังต้องฟังแนวความคิดเห็นของท่านนี่แหละ ขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนตั้งแต่เหนือจุดใต้ที่มาในงานของหลวงพ่อจิรวัตรของพวกเราเนี่มาจากภาคกลางภาคใต้ภาคต่างๆเพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นแนวความคิดเพื่อการศึกษาแล้วก็เรื่องทำคําสอนทีนี้มาเรื่องพูดเข้าประเด็นธรร ม, มะทีนี้พวกเราเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่น หลวงพ่อเองบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนถ้าเป็นสายอื่นเราก็ไม่ว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าแต่ละสายแต่ละกลุ่มแต่ละคณะท่านก็ทำวิชาอาชีพของท่านเราไม่ได้ปลามาท่านท่านทำสวนยางท่านก็ได้เงินทำข้าราชการท่านก็ได้เงินแต่ละวิชาอาชีพท่านก็ได้เงินแต่หลวงปู่มั่นของเราท่านสอนวิชาอีกวิชาหนึ่งที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา หลวงปู่มั่นของเราสอนวิธีการภาวนาท่านในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่โคลนต้นโพวันเดือน6เพนนนั้นนะที่ท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือน6เพนนนั้นท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้า หันพระพักไปทางทิศตะวันออกจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยพระใจไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณรัศน์เกิดฌา น, นะานล้ำลึกชาติโหนหลังได้อันนี้คือแนวทางของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นของพวกเรา ที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราที่เป็นต้นตระกูลของพวกเราหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาจากนั้นท่านก็สอนหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงปู่สุวัตหลวงปู่ล่าหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่ชาหลวงพ่อพุทธที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่มั่นมีมากหลากหลายหลายองค์แต่ต่างองค์ก็ต่างยอมรับว่าหลวงปู่มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธเรื่องสมถะ สมบัติคือทำจิตใจให้สงบนี้ให้ภาวนาพุทโภวิธีการทำแต่หลวงพ่อก็ในรายละเอียดนะหลวงพ่อก็บอกว่านับหนึ่งใครๆบอกหลวงพ่อให้เขียนกอไก่ขอไข่ไปเลยจากนั้นก็ผสมสระสะอานี่ค่อยอ่านเข้าไปแต่ถ้าเราจะบอกให้ภาวนาเนออย่างนี้เพียงคำเดียวพวกเราก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงให้ภาวนาแต่หลวงพ่อบอกว่าอย่างวันนี้แหละหรือว่าวันไหนก็ตาม ก่อนหลับก่อนนอน เ, ออเรามีห้องพระหรือว่าเราจะนอนดูตามลําพังเราให้กราบพระซะก่อนไหว้กราบพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วก็แถมท้ายวัดนิพพานังเพิ่งเข้าไปเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพระนิพพานเพื่อพ้นทุก เ, เราเกลียดทุกเหลือเกินเกิดแก่เจ็บตายในะเราเกลียดเพราะนั้นพ้นทุก์ในวัตะสงสารไม่ขอมาวเวียนไหว้ตายเกิดอีกหรือว่า พุโทโธธัมโมสังโฆนิพพานังจากนั้นก็อรหังสัมมาสัมพุโทโธกละสวาคาโตปะคะวตาธโมกาบสุปฏิปโนปะคะวตโตสาวกสังโฆกละจากนั้นกันนะณโมตัสสะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุธทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พุธทธังธรรมังสังขังสถ า, านางังคตฉามิยดพระพุธทธเจ้าพระธรรมประสงเป็นสถานะเป็นที่พึ่ง ดุติยามปิพุทธทางทำมังสังขังสารนังคัจามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งสังขังสารนังคจามิข้าพเจ้าขอยึดพระสงฆ์เป็นสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งยืนยันถึงสามครั้งตุติตาติยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งถ้าสวดมากกว่านั้นได้ก็ดีจะสวดอันไหนยอดพระกันบ้างหรือทําวัด อ, อ, อดีตอนัตธรรมาจากอะไรก็ได้สวดเป็นรุ่นแล้วแต่เป็นมงคลมหามงคลทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าสวดไม่ได้ได้แต่หนะโมตสักพุทธทางธรรมบังสังขัง เ, เท่านี้ก็พอแต่ว่าต้องไหว้ทุกวันอย่าได้ขาดจากนั้นก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกแล้วก็นั่งนึกในใจนั่งนึกในใจตั้งใจให้แน่วแน่แล้วก็แผ่เมตตา ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตวอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างข้าพเจ้าต้องการอย่างข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินนึกในใจจากนั้นเราก็กราบแล้วลเราแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลจากนั้นก็นั่งภาวนาขาขวาทับขาซ้ายหอขขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็นั่งปะนมมือซะก่อนนึกในใจพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆสามจบลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คือไหว้ครูซะก่อนไหว้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์จากนั้นกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักทานศีลภาวนารู้จักสมถวิปัชนา คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆ ค, คือพระสงษ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนํามาสั่งสอนพวกเราเราจึงรู้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรในเมื่อเราลําลึกถึงพุทโธธรรมโธสังโฆเสร็จแล้วเอามือลงเอามือลงจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่แหละ ให้สังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้วันเดือนหกเพนนนั้นท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าน้อยเกินไปที่กำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันหลุดได้ง่ายมันหายได้มันหายเร็วมันหายได้เร็วควรจะบริกรรมด้วยเพราะนั้นท่านจึงหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถ สรุปแล้วก็คือหลวงปู่มั่นใช้กรรมฐาน40ของพระพุทธเจ้าพระพุะทธองค์ใช้เพียงอาณาปณสาาติอย่างเดียวแต่หลวงปู่มั่นของเราใช้สองคือใช้อานาปนาณสติ ด, ด้วยและบริกรรมพุทโธด้วยนี่แหละใช้สองสองอย่างควบกันนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์จากนั้นกรกศิษย์ทั้งหลาย หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายท่านก็นำํำทำคําสอนหลวงปู่มั่นมาบอกมาสอนพวกเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะทศไทยญาติโยมทั้งหลายเวลานั่งภาวนาให้กําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธแต่ถ้าว่าพวกเรานั่งใหม่ๆพวกเรายังจับไม่ได้พวกเราให้หายใจแรงๆสักสองสามครั้งจากนั้นก็ให้ผ่อนผ่อนผ่อนลมกระทบที่ไหนให้เอาจิตจับอยู่ตรงนั้น ในเมื่อจับหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถพดโทพดโทและตั้งจิตอธิษฐานอีกต่างหากข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปให้นั่งให้นานที่สุด เ, เป็นชั่วโมงชั่วโมงเ ส, สาชั่วโมงถ้ามันว่างอย่างวันนี้อย่างวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาสักสามชั่วโมงวันนี้จะไม่ให้เผลอไม่ใช่ว่านั่งเฉยเฉยนะข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลออีกต่างหาก จะให้สติอยู่กับที่ปลายจมูกของข้าพเจ้าเท่านั้นจะไม่ให้เผลอไปที่อื่นหายใจเข้าข้าพเจ้าจะมีสติหายใจออกข้าพเจ้าจะมีสติถ้ามันเผลอไปข้าพเจ้าจะดึงหน่วงเหนียวเข้ามาที่ปลายจมูกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอในขณะที่นั่งภาวนาอตั้งจิตอธิษฐานจะไม่ให้เผลอเด็ดขาดอย่างนั้นกับพุทโธพุทโธนี่แหละให้เอาจริงเอาจังอย่างนั้นเมื่อเราจริงจังอย่างนั้นแล้วพวกเราจะรู้จะเห็น เห็นธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําจากนั้นใจของเราจะรวม เ, เพราะใจของเราไม่พุ่งไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจะเห็นได้ชัดเลยทีนี้กายกับใจใจกับกายร่างกายเนี่เป็นอันหนึ่งใจนั้นเป็นอันหนึ่งนา ม, มาธรรมกับรูปธรรมหลวงพ่อเปรียบเทียบ ว, ว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถแต่มันอาศัยมันอยู่ด้วยกัน คนขับรถกับรถรถคันนี้จะไปได้ก็ต้องอาศัยโซเฟอรอ์จึงจะขับไปได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้ า, าให้ความสำคัญเรื่องของใจามากมโนโปุพังขา ม, มาธรรมามโนเสรามโนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, านะไม่ใช่ที่อื่นนะให้เชื่อตอนเองนะ พอปฏิบัติเข้ามาแล้วถามเลยสิบรนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญรับโอ้ยตายแล้วเกิดแน่นอนร่างกายเนี่ตายแน่นอนแตกตายสลายแน่นอนสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนแต่นามธรรมคือจิตใจนั้นออกจากร่างนี้เป็นแน่แไปปฏิสนธิแล้วแต่บาปกรรมของใครของเราถ้าทำใครทำกรรมไม่ดีเอาไว้กรรมไม่ดีนะั้นแหะจะพาดวงวิญญาณของท่านไปสู่ทุกขติหรือไปเกิดเป็นสัตว์ติรฉานานานับประการนานาชนิด พอเอพราะเหตุใดเพราะกรรมกรรมคือทําความชั่วของท่านพ า, าไป อ, าอย่างพระองค์ที่ที่ผู้หญิงตามหลังก็เหมือนกันท่านไปทํากรรมอันไหนไว้พวกเราก็รู้อยู่แล้ว น, ะนี่แหละกรรมตอนนั้นมันจะตามเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอักตังลุกตังเส้ยโยปัชฌาตปฏิลุกตั ง, ยยตต ก, ตงกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้พวกท่านเดือดร้อนเมื่อภายหลัง จิตวิญญาณของพวกท่านเกิดในภพใดชาติใดวิญญาณของท่านจะเดือดร้อนเกิดมาพบหน้าชาติหน้าอย่างพวกเราไปหาเรื่องใส่คนอื่นเขาเกิดมาพบหน้าชาติหน้าไม่มีเรื่องมีแล้วเขาก็หาเรื่องใส่ตนเองอย่างผู้พระองค์นั้นกับผู้หญิงที่ไปหาเรื่องใส่พระให้ทะเลาะกันนี่แหละเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายกรรมชั่วจรงไหนก็ตามอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลาย ลิคิดพูดทำกรรมชั่วต่อไปภายภาคหน้านั่นแหละพวกเราจะได้รับวิบากในการคิดการทำการพูดของความคิดของพวกท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราเมื่อรู้แล้วกรรมชั่วพวกเราอย่าทำเฉยดีกว่าเมื่อทำกรรมให้ทำแต่กรรมดีจากนั้นเมื่อเรารู้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอ่านกันเมื่อเราภาวนาจิตใจสงบแยกส่วนแบ่งส่วนดูและกายกับใจเป็นคนละอ่านกัน จากนั้นเราก็ามาพิจารณาโดยดูไยกำหนดดูใจเมื่อจิตใจของเรารวมสงบแล้วเราจะเห็นใจของเราตัวนึกคิดตัวรู้รู้มันมองดูกายเถิดพระพุทธองค์บอกว่าใจของเราเนี่ยมันหลงกายนะมันหลงกายว่ากายของเราเนี่ยจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายถ้าหากว่าเราเห็นคนอื่นตายเราก็ไม่กระไร แต่พอคนตายใกล้ๆของเราเราก็สะดุ้งขึ้นมาไม่สบายใจพอมาเจอกับตัวเองเข้าเท่านั้นแหละไม่สบายอย่างหนักเท่านั้นแหละคราวนี้เป็นมะเร็งเท่านั้นแหละเรามีความรู้สึกอย่างไรใจของเราเนี่ยเออมันตั้งตัวไม่ติดลเลยเพราะเหตุอะไรมันค่อยสะดุ้งขึ้นมาแต่เมื่อเห็นคนอื่นไม่เป็นไรแต่พอมาใกล้เข้ามารู้สึกแต่พอมาเจอกับตัวเองเข้าไปแล้วนั่นแหละเป็นทุกอย่างมากเพราะนั้นใจ ต้องดูนะร่างกาย อ, กอีกสักวันหนึ่งนะต้องแตกต้องสลายต้องตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะนี่ถามโซเฟอร์ให้ถามโซเฟอร์นะรถคันนี้นะนี่อีกไม่นานนะจะต้องพังนะจะต้องไปอยู่ในพงหญ้านะจะต้องเป็นเศษเหล็กนะจะต้องสนิมกินผูกไปบดนะโซเฟอร์นะเรานะเราเตรียมเงินไว้เลยอย่างเตรียมทุนไว้เลยอย่างเรามีทุนพอที่จะซื้อรถคันใหม่หรือยังเฮ้โซเฟอร์ อันนี้แหละเป็นหน้าที่ของเราจะเตือนเตือนเราแล้วนทีนี่นี่แห mm hmm. ละให้เตือนเราเราเตือนเราโซเฟอร์เตือนโซเฟอร์อย่าลุ่มหลงอีกสักวันหนึ่งนะรถคันนี้ต้องทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ตายแล้วไม่ศนะูนย์นะวิญญาณจะออกจากร่างนะ mm hmm. เราจะมีบุญกุศลเพียงพอหรือยังถ้าเราไม่มีบุญกุศลอย่าไปนอนใจอย่าไปช้าราใจอย่าเป็นให้ความออนอนใจจนเกินไป อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ศึกษาอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลให้ศึกษาในธรรมคาสอนอย่างวันนี้ละ่ะพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอย่างนี้ละ่ะวิธีการปฏิบัติตนทําอย่างไรวิธีทำสมาธิทำอย่างไรวิธีการอยู่ในชุมชนสังคมควปรปฏิบัติตนอย่างไรนี่นี่แหละให้มีทานให้มีศีลและก็ให้มีภาวนา อย่างพวกที่หลวงพ่อได้พูดจากนั้นเมื่อเราภาวนาแยกส่วนแบ่งส่วนดูร่างกายดูใจของตนเองแล้วเมื่อพิจารณาดูร่างกายอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลงไปขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราพี่น้องเพื่อนฝูงจดถาบรรดาศักิ์เงินคาทรัพย์สมบัติเลือกสวนไรนา เ, เงินทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลจะเป็นของเราได้อย่างไร เพราะร่างกายแท้ๆยังไม่ใช่ของเราเนี่แหละให้พิจารณาถึงเ อ, อเมื่อเราไม่หลงสิ่งเหล่านั้นเมื่อหลงเราไม่หลงกายเราก็ไม่หลงสิ่งภายนอกเหล่านั้นจากนั้นเราใจของเราก็มามองดูใจอีกเราจะปรับปรุงแก้ไขยังไงดูสิใจของเราถึงพอจะนั้นก็มองดูใจของตนเองมองใจของเราเราก็รู้ได้ได้ด้วยตนเองว่าบางทีก็เศร้าหมองบางทีก็ผ่องใส บางทีก็ดีใจบางทีก็ เ, เสียใจเสียใจดีใจเียใจดีใจเสียใจอยู่นั้นใจของเราก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตัวนี้อะไรนะใจของเราเป็นอนิจจังอนิจจังของไม่เที่ยงในเมื่อเป็นอนิจจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราใจจากนั้นก็วางปล่อยวางหาวิธีปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจในเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ ใจของเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางออละโลภโกรธโงงในจิตใจใจก็บริสุทธิ์ในเมื่อเราปล่อยวางแล้ว เ, ออเมื่อเราปล่อยความโง่ออกไปแล้วในเมื่อปล่อยความโลภโกรธโงงออกไปแล้วความบริสุทธิ์ก็จะผดขึ้นมาแทนที่เหมือนกับเราแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสืออย่างนั้นแหละในเมื่อพอเราเรียนหนังสือเราได้กไกเ ABC ซดีความโง่ทั้งหลายที่มันมีก่อนมันก็ตกไป มันตกไปมีแต่ความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นมาเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำสังทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้คณะสัตยาธิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าแต่สิ่งเดล่านี้ที่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ในหลักธรรมคำสอนท่านบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกันทานศีลภาวนาทานก็คืออะไรคือการเป็นอยู่ของพวกเรา ถ้าว่าพ ว, าพวกเรายินดีในการทำบุญทําทานเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากไปนัดสถานที่ใดก็พอมีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากเพราะอเ น, น้สงทานเกื้อกูลหนุนเพราะนั้นอย่ามองข้ามในการทําทานศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลตั้งแต่ศีลหศีล8ศีลอุโบสถสดศีล227รสินศีลคุ้มครองเราไปนสถานที่ใด ถ้าคนเป็นผู้มีศีลมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นทางทานศีลก็เป็นถ้าจะเปรียบเทียบกับต้นไม้ก็เหมือนกับทานเหมือนกับเปลือกศีลก็เหมือนกับ ก, กระพี้ธรรมที่พิจารณาเห็นหลุดความหลุดพ้นเหมือนกับแก่นเราจะมุ่งหวังแก่นไม้เราจะเอาแก่นมันมาปลูกเสร็จแล้วก็ไม่ไดไ้ต้องเอาเม็ดมันมาปลูกพอปลูกขึ้นมาแล้วก็ มีทั้งเปลือกมีทั้งกับผีต่อไปมันก็สร้างแก่นขึ้นมานี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพวกคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาต้องไปด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรูเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าเราศึกษาในพุทธปฏิปทาของท่านแล้วท่านเกิดมาพบใดชาติใดท่านก็เป็นผู้มีทานและก็เป็นบวชไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าจากนั้นท่านไปบำเพ็ญ มาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติจากนั้นท่านได้ท่านก็ได้ตัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นขอให้พวกกนัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานพวกเราพวกเราทุกคนเนอะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นการที่อยู่ด้วยกันให้มีความพร้อมเพียงสมคีแล้วก็ยกตัวอย่าง เ, เรื่องหลักธรรมวินยัยทำคำสอนของพระพุทธเจา้านานาจิตตางนานาทัศนะ สุดแท้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านจะหยิบยื่นท่านจะยกขึ้นมาอธิบายให้กับพวกเราฟังเหมือนกับวิชาอาชีพการธรรมาหาเลี้ยงชีพการธรรมาค้าขายไม่เหมือนกันจากนั้นก็ทั้งที่ท่านเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์ความแตกต่างกันก็ยังมีในองค์ท่านเพราะนานาจิตทางนานาทัศนะเพราะว่าการเกิดของพระอรหันต์เหล่านั้นไม่ใช่เป็นกษัตริย์ทั้งหมด เป็นพ่อค้าก็มีเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนเป็นข้าราชการ เ, าเป็นคนในเมืองอทำม า, ากวาดถนนก็มีแต่ว่าเมื่อท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และท่านแตกฉานในอัดในธรรมมีปฏิพานเป็นพระอรหันเตวิโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปัโตเป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรม่มางท่านจะได้ให้ช่วยกันทำทำสังขารนาแต่ขณะนั้นก็ยังไม่เป็นเอกฉันนี่แหละ เพราะนั้นที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่อิจฉาเรื่องการล้อเล่นอย่าไปมองข้ามบาปกรรมที่ตัวเองได้พูดด้วยความขนองปากทําทให้พระสงฆ์แตกแยกกันนั่นแหละตกอเวจีมหารกนรลกในง่ายๆจากนั้นบาปกรรมก็ติดตามตัวเองมาถึงในในชาตินี้อีกต่างหากทั้งที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คณะทาญาติโยมพุทธบริษัท อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าฟังองค์หนึ่งแสดงธรรมก็ได้ยิบยก ok, แนวความคิดอย่างหนึ่งให้มาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าว่าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นํามากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นพวกเราจะแยกแยะได้จากนั้นก็ปฏิบัติให้ถูกต้องอตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความผาสุก ทางด้านจิตใจการกล่าวทำปริเทศนาในวันนี้ที่หลวงพ่อยกขึ้นว่าปฏิลูประเทสวาโซจะปุกเพจักตะปุญญตาอัตตะสัมมาปณิธิปฏิลูประเทสวาโซจะพวกเรานับว่าโชคดีมากที่มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้พบ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าแล้วก็ดินฟ้าอากาศไม่ทําร้ายทําลายพวกเรามากจนเกินไปเนี่ว่าอยู่ในปฏิรูปประเทศปฏิรูประเท ศ, เทศสวารโซจะปุกเพจจกตะพุญญาตาพวกเราคงจะได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทย เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาเกิดแล้วก็ให้ตั้งตนไว้ชอบหนอยอัตตะส ม, มาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบแต่ถ้าว่าพวกเราตั้งตนไว้ไม่ชอบเกิดมาแล้วก็ในพื้นแผ่นดินไทยสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งที่จะสร้างบุญสร้างกุศลการทํามาหาเลี้ยงชีพเราก็อยให้ขาดตกบกพร่องแต่พร้อมกันศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจพวกเราก็ายาให้ขาดตกบกพร่องไปด้วยกันทั้งทางโลกทั้งทางธรรมอาหารกายอาหารใจให้ไปด้วยกัน นี่แหละเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่หากว่าพวกเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจไม่เชื่อในธรรมความสอนอีกทำตนตนเป็นคนเลวอีกต่างหากแปลว่าตั้งตนไว้ไม่ชอบเกิดบหนาชาติหนาพอตายจากชาตินี่แหละมีหวังจะไปที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะเปิดเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ช้างมา้าวัวควายตกนรกหมกไหมไปได้ทางนั้นปญญาดวงนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน เ, เมื่อเราได้พบพบพระศาสนาได้พบพรมคาสอนของผู้พุทพเจ้าแล้วตั้งตนไว้ชอบเอ่ยว่าปฏิโูปะเทสวาโซจะปุเพจจักะตะปุญยตาอัตตะัมมาปนิธิให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบถ้าพวกเราตั้งตนไว้ชอบแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญ่ทางทางโลกและทางธรรมดังการกล่าวสัมโมทิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา